ไม่มีทางอังกฤษอยู่แล้วค่ะอืออ่า 5 4 3 2 1, ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ายิ่งกว่า 2600 ปีเรา ทุกครั้งที่ได้เข้าถึงธรรมะของพระใช่ดิฉันเอง<ใช> การทอดกฐินที่ได้เกิดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 นี้ก็ถึงบันทึกเทปก่อนวันกฐินอาจปกติ ลำดับขั้นตอนจะต้องเป็นอย่าง 4 รูปขึ้นไปแล้วก็สามารถรับกฐิน 4 ใช่มั้ย 2 มีแค่ 3 เพราะฉะนั้น เอ่อหลังจากเข้าพรรษามันก็จะค่อนข้างชัวร์แล้วอ่ะว่าเอ้ยมีค่ะอืม ในช่วงนี้เราก็เลยจะได้มีโอกาสทําบุญทอด 27 ที่วัดป่าราไสโสทอด อ่าสมัยนี้กระทือเอาความสะดวกเรามีธนาคารคอยทําธุรกรรมให้อย่างนั้นผิด 1 ก่อนนะคือต้องไม่เบียดเบียนตัว 2 คือ นะการทําธุรกรรมของเราตอนนั้นเบียดเบียนมั้ยแต่ถ้าไม่เบียดเบียนก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเอ่ออีกจุดนึงที่พฤชาการถวายด้วยมือๆคนจะต้องคิด เรื่องของอ่าเจตนาเนี่ยเค้าก็เร 3 ส่วนดูนะนั้นคือ คุณนามยังไงก่อนให้นี่คุณค่ะเอ่อดังนั้นเนี่ยก็ ส่วนนึงเก็บเอาไว้ทําบุญจะได้มากนะคะแล้วก็จะไม่ได้มาก ต้อง 6 อย่างนะคือ 3 อย่างเป็นของผู้ให้อีก 3 อย่างเป็นของผู้รับไงอ่าโดยผู้รับ 3 อย่างสําหรับผู้รับนะของผู้ให้ก็อย่าง เพราะระหว่างให้ก็มีความมีจิตน้ำไปและ 6 อย่างเนี้ยมารวมกันมันจะทําให้ อ่ะว่าให้จิตของเรามีอย่างที่คุณโยมตีนั้นน่ะว่าเรานะมีความพอใจมีจิตเลื่อมใสแล้วก็มีจิตน้อม นะคือมันนั่งคิดว่าโอ้โหพระพุทธองค์ทรงเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเกิดประโยชน์จริงๆงั้นเข้าใจว่าอันอันนี้ใช่ค่ะแล้ว อ่าอยากเช่นในโอกาสใดบ้างที่ท่านให้ให้ฐานกันค่ะเอ่อมี 3 โอกาสนะอันดับแรกเนื้อนาบุญเราต้อง 2 คุณมีทัยทานคุณมีทัยทานคุณคุณมีสิ่งที่คุณจะให้อัน 3 จิตคุณมีศรัทธาบางคนถ้า 3 อย่างนี้มาเจอกันเมื่อ กำลังเดินกำลังเดินไปจนถึงท่าน้ําเพื่อที่จะขึ้นเรือไปฝั่งนู้นแล้วบางเดินลง ตอนนี้เราไม่มีทายาทเราไม่มีอะไรจะให้จะทําถ้าชาวดีแล้วไม่หว่านข้าวคุณไม่ใช่ชาวนาของตัวเอง นะกราบที่บาทของพระประเจกผู้เจ้าแล้วก็ถวายท่านไปตัว 3 <ๆ. S 1> อย่างใช่ 3 อย่างคือ 1 แล้วจริงๆบ่มที่ดิฉันจะกราบเรียนถามท่านในเรื่องทานอ่าจะไม่ใช่ในสิ่งที่ท่านได้กล่าวเช่นท่านอาจอืมทานเนี่ยให้ นะที่เราเคยได้ยินนะศีลนะสุคติยนติศีลนะโภคสัมปทาทานก็เหมือนกันนะไปสวรรค์ <Okay. S 1> นั่นคือความตรณีนั่นคืออ่ะสมมุติคุณคุณโยมเสลอ้าวเอ่อทานของสักอย่างนั้นแต่ว่าค่ะอืมครับแล้ว อ่าเนี่ยค่ะก็คือกําลังจะบอกท่านฟังว่าทานเนี่ยมีผลมากตั้งๆที่มากนะคะแล้วก็มา<ใช> เพราะมันยึดไปหมดการเกิดเป็นคนเนี่ยอย่างนี้ค่ะมันอ่าคิดว่าดีถ้าเป็นการเก็บเข้ามาหาตัวเพราะว่ามันเต็มไปด้วยของรุง มันก็หายากนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันนั่งคิดว่าพระพุทธองค์ได้ให้ปัญญากับเราเราต้องฝึกเราต้องฝึกที่ค่ะเพราะ แล้วก็จะมีประสบการณ์อะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ บางเนี้ยท่านเคยไปเวียนนากันดูก็ และในด้วยความที่มีอายุมากแล้วแล้วก็เป็น ไปร่วมทําบุญกันก็เชิญนะคะแต่เรียนคง ก็เป็นบริษัทละครที่อยู่ที่ 3 นี่แหละนะคะแล้ว